สงส คอยครั้งสับกันถูหลังถูตัวเขาจากจากฉันและจากท้องุ้มไปเหมือนดังกุ้มนี้สวิงที่มีรูรูเขาตัดฉันไปไม่เหลือฉันเดื่อใยบัวฉันก็น้ามือตามัวไม่ห่วงตัวไม่ใ้ตรองก่อนแวกก็อพักบุญ 让开。 พักมุงซ้อนกุ้งคนเดียวดัง